ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบถวายความคารพพระอง พ, อพ่อผู้เป็นประธานและคณะสงฆ์ตุรูปด้วยความคารพยิ่งขอเจริญพรไปยังเจ้าภาพซึ่งเป็นบุตรหลานของอา마และก็ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในคืนนี้ก็ขอให้ท่านนั่งฟังตามสบายนะ วันนี้ก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่ทางวัดแพร่แสงเทียนซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบําเพ็ญกุศลศพของอามาและก็ทางคณะลูกหลานของอามาได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านผู้มาเยือนทุกท่านวันนี้เรามาร่วมกัน มาสัมผัสกับบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งอาตมาเชื่อว่าในห้วงน้าเวลานี้วงจรของชีวิตทำงานได้อย่างไม่มีหยุดย่อนขณะนี้เวลานี้อาจจะมีการเกิดขณะนี้เวลานี้จะมีการเจ็บขณะนี้เวลานี้มีการตายเฉพาะเมืองแพร่เราก็ไม่รู้กี่ศพในขณะ น, นี้ไม่รู้เกิดกี่คนไม่รู้เก็บกี่คน คนที่กําลังภวะภาวะวงก า, การเจ็บป่วยของญาติพี่น้องก็กําลังคร่ําครวญล้าลายอยู่คนที่มัวดีใจกับการที่ได้บุตรชายบุตรหญิงกำลังคลอดใหม่เกิดใหม่ก็กาลังดีใจอยู่คนที่กําลังหน้านองด้วยน้าตาเพราะการสูญเสียญาติพี่น้องก็กาลังเกิดขึ้นอยู่อันนี้เป็นวงจรของการเกิดการแฉกการเจ็ บ, ก า, ก, บการตายจึงไม่ใช่เกิดณนะที่ตัวนี้มันเกิดโดยทั่ ว, วไป เพราะฉะนั้นเรื่องนี้กิ่งเป็นเรื่องที่ถ้าคิดในแง่ของธรรมชาติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องธรรมดาที่สุด <c oughs> ไม่มีเรื่องอื่นที่มันเป็นธรรมดาเกิดเรื่องนี้แต่ความธรรมดานี้มันปรากฏเฉพาะส่วนผู้ที่สามารถที่จะทําใจได้วันนี้ท่านที่มานั่งที่ตรงนี้อาจจะไม่ถึงร้อยคนนอกจากญาติทั่วไปที่เป็นญาติของอาหมานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ผู้ที่เป็นญาติโดยตรงเป็นลูกเป็นหลานก็ดีก็กําลังอยู่ในภาวะเศร้าสศกเสียใจแต่ผู้ที่มาร่วมงานก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเพราะอะไรเพราะบุคคลที่นอนอยู่เฉพาะหน้านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ญาติโดยโดยตรงไม่มีความผูกพันที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องไม่มีความผูกพันที่เคยเลี้ยงดูเอาใจใส่ฟูงฟ้ากันมาตั้งแต่เบื้องต้นเราก็จะคิดอย่างนี้นั้นแต่ถ้าเป็นผู้ที่เอาใจใส่กันแต่เบื้องต้น เป็นผู้ที่สืบทอดสายเลือโดยตรงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานก็แล้วแต่ก็จะมีความเสียใจความธรรมดานี้ัเกิดขึ้นนี้ถ้ามาเลยก็ตามแต่ถ้ามันยังไม่บังเกิดขึ้นกับเราโดยตรงก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาสำคนนั้นแต่ว่าเรื่องนี้หนีไม่พ้นญาติโยมทั้งหลายงานศพนี่เป็นงานที่เป็นงานสัจากที่สุดสัจากแปลว่าความจริง ความจริงอันนี้เป็นความจริงที่จะต้องปรากฏกับทุกคนทุกท่านคนทุกคนมีโอกาสได้จัดงานนะโยมบางคนจัดงานวันเกิดบางคนจัดงานบวชบางคนจัดงานแต่งบางคนจัดงานขึ้นบ้านใหม่แต่ละคนนี่มีโอกาสได้จัดบ้างมีโอกาสไม่ได้จัดบ้างบางคนไม่เคยจัดงานวันเกิดบางคนไม่เคยจัดงานบวชตัวเองเพราะไม่เคยได้บวชบางคนไม่เคยจัดงานแต่งงานบางคนไม่เคยจัดงานขึ้นบ้านใหม่ เกิดมาก็มีพ่อแม่สร้างบ้านไว้เรียบร้อยแล้วไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่จึงมีโอกาสจัดจัดได้แค่บางคนแต่งานศพนี่ทุกคนนะทุกคนอานทุกคนนี่คือมันเป็นสัจจะที่มันจะต้องเกิดแนั้นเวลางานมางานศพ เ, เราจึงให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งนี้เป็นการแสดงออกซึ่งเราที่หนึ่งคือการมางานศพเนี่ยมันเห็นสัจจะเห็นความจริงเห็นความจริงนี่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนนยมไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว ความน่ากลัวมันจะมีเฉพาะส่วนที่เราเห็นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องที่เรากลัวต่อสิ่งที่มันจะเกิดกับเราเนี่ยแต่สิ่งนี้ถ้าพูดตามสัจจะผู้ตามความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าเรากลัวชีวิตถ้าเรากลัวคนที่ตายกลัวการตายเนี่ยไม่รู้เราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเรากลัวบางอย่างยังพอหลีกเลี่ยงได้นะอย่างเช่นตอนนี้เรากลัวว่าเราจะติดโรคบาดสองพเเนี่ยถ้าตรงไหนที่เป็นที่ชุมชนมีคน มีโรคอันนี้อยู่แล้วก็พอสามารถที่จะหลบหลีกไปอยู่ตามที่ไหนก็ได้ที่ไม่ต้องไปคุกคีกับคนหมู่มากมันหลีกเลี่ยงได้แต่การที่เราจะไปกลัวว่าความตายจะมาถึงเราเลยนี่ไม่ใช่เรื่องที่ได้ปรารถนาได้ที่จะหลีกเลี่ยงได้เราจึงคิดเป็นเรื่องที่ธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาแบบนี้มันได้อะไรหลายอย่างจากการมางานร่วมงานศพนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาร่วมในส่วนที่มันส่งเสริมไม่เกิดสติและปัญญา ญาติโ ย, ยมทั้งหลายจตมามาอยู่ที่นี่มา น, นี้ก็คือมาด้วยความดีของคนตายถ้าคนตายไม่เคยมีคุณงามความดีเราก็ไม่มีโอกาสที่จะมารู้ร่วมกันแม้แต่ญาติโยมที่สลัเวลาพักผ่อนมาจากบ้านจากช่องบางท่านกลางวันต้องทํางานกลางคืนแทนที่จะได้พักผ่อนเราก็มาร่วมงานศพบางทีกูจะได้กลับบ้านสีทุ่มห้าทุ่มกูจะได้นอนพักผ่อนทําไมเราจะต้องมาเรามาเพื่อความดีของคนหนึ่งที่เคยทําดีไว้ต่อกันแล้วกัน อาหมามีอายุ96ปีเนี่ยระยะเวลา96ปีเนี่เป็นระยะเวลาที่สร้างสมคุณงามความดีไว้โดยเฉพาะความดีที่อามาทำลงไปก็ทำให้พวกท่านทั้งหลายก็เกิดประทับตาประทับใจไว้ยากที่จะลืมโอ้ได้ยินข่าวว่าอามาตายเราก็มาร่วมงานสพอามาเพื่ออะไรเพื่อเป็นการที่จะเป็นการทำครั้งสุดท้ายเพราะตอนนี้เป็นการทำครั้งสุดท้ายแต่กนเราคิดถึงกันถ้า เราต่างคนต่างมีชีวิตอยู่เนี่ยเออถึงวันตุจีนทีก็ไปขอพรจากอาม่าแบบเนี้ไปเยี่ยมเยือนเวลาผ่านไปผ่านมาก็ไปทําข่าวตามข่าวยงพอจะเห็นหนะ้าตากันอยู่การเห็นจะเห็นอาจจะเพียงแค่วันสองวันจะเป็นครั้งสุดท้ายอีกสวันไปห้าวันไปก็จะได้ยินแต่ชื่อกับเห็นเฉพาะรูปตอนนี้ก็เห็นเฉพาะร่างกายที่นอนเทาร่างอยู่ใดสิ่งที่มันเจ็บเพื่อกันความมิจฉิไว้เท่านั้นเองมันจะไม่มีโอกาสได้เห็นอีก ความดีจึงเป็นสิ่งที่ฝากไว้คู่กับโลกถ้าเราขาดความดีซะอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่จะมาทดแทนการซูญเชียไปได้เลยเวลาปลาตายยังได้กินเนื้อเวลาเสือตายยังได้หนังเวลาช้างตายยังได้งาถ้าคนตายซะอย่างเดียวถ้าหาว่าขาดความาดีนี่ไม่มีมสิง่งที่จะมาทดแทนเพราะไม่มีประโยชน์มุ่งกับสัตว์อย่างอื่นช้างตายได้งาเสือตายได้หนังปลาตายไก่ตายเป็ดตายยังได้กินเนื้ออยู่แต่คนตายยังเหลือคุณงามความดีเพราะความดีนี้เราจะได้มา ธรรมาก็มาก็เพราะความทีของอามาหลังจากทราบข่าวว่าม้าเสียต้องใช้เวลาเดินทางเกือบทั้งวันธรรมมาเดินทางมาอยากมาสรคามนะต้องเดินทางมาร่วมงานยังไงก็ได้มาร่วมเป็นครั้งสุดท้ายก็ยินดีเพราะอย่าง น, น้อยๆว่าเคยธรรมาเคยมาอยู่นี่หกปนะีระยะ6ปีแน่นอนว่าในพรหมจรรย์ที่ประพฤติอยู่เนี่ยอมาย่อมมีส่วนในพรหมจรรย์ ครอบครัวมาจึงมีส่วนนสำรย์ในการอุปถัมภ์ด้านปะัะจัยศีเคยให้อาหารขบฉันเคยให้เครื่องอุปโภคบริโภคมากมายสําหรับอยู่ที่นี่ในเมื่อความดีที่ามาได้ฝากไปให้ก็ทําให้ต้องมาร่วมกันมาร่วมทําเป็นสิ่งครั้งสุดท้ายถึงแม้ว่าจะทําอะไรไม่ค่อยได้มากแต่การที่มาเห็นก็คือนั่นคือเป็นการให้กําลังใจแก่ผู้ที่อยู่เพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียาการพัดภาคนี้เป็นความทุกข์ปีเยหิวิปโยโกโทุกโข ความพัดภาคจากสิ่งบุคคลอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพัดภาคไม่ใช่สิ่งที่มันดีนะโยมท่านทัง้งหลายมันจะพัดภาคมันจะพัดภาคแน่นอนแต่ว่าการพัดภาคเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเพราะการพัดภาคการสูญเสียนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียกับบุคคลอันเป็นที่รักนี่เป็นความทุกข์เป็นอย่างยิ่งเป็นความทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาอันบริสุทธิน์นี่คิดว่าสิ่งนี้มันเป็นความทุกข์ของมนุษย์ เป็นความทุกข์ของค น, คนทุกคนที่จะต้องบังเกิดขึ้นโดยเพราะการพัดภาคจากคนที่เป็นที่รักนี่ความสูญเสียความอาลัยอาวร์การที่เราได้อยู่ร่วมกันได้กินร่วมกันได้คุกคลีกันการได้สนิทสนมกันนี่เป็นสิ่งที่เราเกิดขึ้นเพราะความผูกพันแต่ในเมื่อช่วงหนึ่งที่ความผูกพันที่มันเคยได้มีนี่มันขาดช่วงไปนี่จะรู้สึกว่าเวกขึ้นมาทันทีโดยเพราะอย่างยิ่งเรามองว่าพ่อแม่คือเสาเอกเสาหลักในครอบครัว ถ้าขาดพ่อขาดแม่ไปสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความอ้างวัางขึ้นมาทันทีความว้าเหวความเหงาความคิดถึงความอาลัยอาวร์บางเกิดแ่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นเหตุ ข, ของการนำมาซึ่งความทุกข์เกิดมาชาติปีทุกขาการเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปีทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุขขังความตายก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นทุกข์เฉพาะตัวถ้าทุกข์กับบุคคลอื่นละ่ะ การตายของเราเนี่เป็นที่เกิดทุกข์ของคนข้างๆอย่าง น, น้อยๆว่าลูกก็ต้องน้ำตาดองหน้าพ่อก็ต้องตาดองหน้าเวลาแม่เสียลูกบุตรหลานทุกคนย่อมมีน้ำตาดองหน้าอันนี้คือเป็นโทษของการเกิดเกิดม า, าเดียวก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นตัวการเกิดอันนี้คือเป็นที่มาของความทุกข์ในเมื่อมันเกิดความทุกข์แล้วเนี่เกิดมาจะต้องตายพระพุทธเจ้าทรงเป็นห่วงว่า คนทั่วไปที่ยังมีอาสวะอยู่จะต้องมีความทุกข์แน่นอนเวลาเกิดการสุเสียเกิดการพัดพากในความเป็นผู้ที่ประกอบด้วยพระมาหากรุณาธิคุณของพุทธเจ้าเนี่ยจึงทรงแนะนำบางสิ่งบางอย่างไว้ให้เราได้พิจรารณาในการหลักในการทำบุญในการเจริญกรรมฐานนี่วก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะมีคำหนึ่งที่เป็นคาที่ฝากไว้คือการเจริญมรณานุสติคือสติไปและลึกถึงคุณงามถึงความตายของ สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนความตายเป็นสิ่งที่มันเราคิดว่าไม่ดีนะแต่ถ้าคิดในแง่ของประโยชน์มันมีประโยชน์ประโยชน์อย่างไรประโยชน์คือถ้าคิดถึงมันได้ด้วยนี่มันจะเกิดอาการคุ้นเคยท่านทั้งหลายลองสังเกตดูนะว่าเราเคยกลัวต่ออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยกลัวต่อสิ่งนั้นเวลากลัวคือไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะพบไม่อยากจะได้ยินแต่ถ้าหากว่าเราเราคุ้นเคยกับมันโดยบ่อย น, นีย่อย่างเช่นบางคนกลัวกลัวสัตว์ กลัวสัตว์กลัวงูเนี่ยถ้าเราเห็นแป๊บเดียวเรากลัวมากถึงเห็นแช่ก็กลัวเนี่ยแต่การที่เรากลัวงูเนี่ยแต่ให้ลองพยายามดูงูอยู่ทุกวันเห็นงูทุกวันเริ่มใกล้ชิดกับงูขึ้นไปเรื่อยๆความใกล้ชิดความคุ้นเคยความเห็นอยู่ทุกวันมันจะเริ่มเกิดอาการชินคุ้นเคย m, ค, คยวามกลัวก็จะเริ่มหายไปหายไปในรู้สุกก็จะเป็นเรื่องธรรมดามันกลับการที่เรามาลึกถึงคุณความตายเนี่ยไม่มาจะกลัวอยู่ ใครก็กลัวตายเพราะว่าสุดยอดยอดสุดของความกลัวคนคือตายตายเนี่เป็นสิ่งที่คนกลัวที่สุดเก็บก็คนก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เกิดก็ไม่ค่อยกลัวแต่ว่ากลัวที่สุดคือการกลัวความตายแต่การกลัวความตายเนี่ยกลัวค็นีไม่พ้นในเมื่อกลัวแล้วหนีไม่พ้นเนี่ยทายังไงพระเจ้าแนะนำไม่เกิดความคุ้นเคยท่านเรียกว่าเจริญมรณาสติถ้าเจริญมรณาสติแล้วนี่มันจะไม่เกิดอาการกลัวความตาย มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมทรงสแสดงธรรมให้แก่ชาวอารวีฟังชาวเมืองอารวีในขณะนั้นมีคนในฟังธรรมมากอยู่ที่วิหารพระุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมคือทรงสแสดงธรรมเรื่องของการพิจารณาถึงความตายสัพเพสังขารอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานตาอัตถุวังชีวิ ต, ตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุวังมรณังคว า, ามตายเป็นของยั่งยืนอว ส, สังมยามฤไตพังอันเราจับพึงตายเป็นแท้คว า, ามตายเป็นของเที่ยงชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงคว า, ามตายเป็นของเที่ยงเราควรที่จะสังเวชในชีวิตนี้พระงรงสแสดงธรรมให้แก่พุทธบริษัทฟังพอสแสดงธรรมจบพงทรงสรุปว่าก็ชนทั้งหลายที่จเจริญมรณาสติอยู่ดึงเนือง ก็คนไหนที่ไม่เจริญมรณาหนุสติอยู่เนืองๆอยู่เป็นประจำคนนั้นก็จะเกิดอาการสะดุ้งกลัวการหวาดกลัวเวลาความตายจะมาถึงเกิดความหวาดกลัวแล้วทํากาละตายไปเหมือนกับบุคคลที่เห็นงูแล้วตกใจกลัวฉะนั้นส่วนบุคคลใดที่เจริญมรณาสุติชนทั้งหลายเหล่านั้นแลจะต้องไม่เกิดการสะดุ้งหวาดกลัวต่อเวลาทํากาละ เหมือนกับบุคคลที่เห็นงูแต่ไกลแล้วใช้ไม้เฉี่ยงูออกแล้วเดินไปยืนอยู่ฉะนั้นพอฉะนั้นท่านหลายจงจะเดินมอในา น, านัน้สติเถิดพอฟังธรรมจบมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ16บปีเป็นหญิงสาวเป็นที่ดาช่างหูกนางนั่งอยู่ในบริษัทนั้นนางมาคิดว่าคนระดับพระพุทธเจ้านี่เวลาท่านแสดงธรรมทั้งผู้ไรย่อมเป็นความจริงในเมื่อท่านปารบท่านพูดขึ้นมาแล้ว การที่เราไม่นำไปพิจารณาตอบไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำหลังจากที่ฟังทาจบชนในบริษัทนั้นโดยเป็นอันมากหลังจากที่ฟังจบแล้วก็ผ่านไปไม่นำไปปฏิบัติต่อแต่นางเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ควรให้มันผ่านพ้นไปนางจึงเอาธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงนี่ไปปฏิบัติต่อทำงานไปแล้วก็พิจารณาถึงเรื่องนี้ไปคนอื่นเวลาฟังไปเสร็จก็ทางานก็ทางานไปแต่แจไม่คานึงถึงเพราะเขากลัว ที่ราชังหนี้ใช้เวลาอยู่สปีสปีกลางวันกลางคืนนี่พี่นึกถึความตายอยู่เนือง <c oughs> ๆก็คือคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆถามว่าคนคิดถึงความตายนีิเสียงานเสียการไหมงานการนางไม่เสียทํางานได้แล้วทํางานแล้วยังปล่อยวางด้วยทุกวันคนมีความทุกข์เพราอะไรมีงานทํามีเงินเดือนใช้มีทุกอย่างแค่สออย่างเพียงพอบางทีพุ่งเฟืองไซ้ําไป แต่ทํำไมจึงเกิดทุกข์เพราะว่าทุกข์เพราะความเครียดขณะที่ทํางานไปนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสติหรือการเจริญสิ่งที่ทําให้เกิดซ้ำผายอยู่กับปัจจุบันได้มีแต่ตัวตัณหาพาไปได้ร้อยอยากได้พันได้พันได้หมื่นได้หมื่นยแสนได้แสนได้ล้านอย่าได้มาเราได้มาได้มาแล้วก็ห่วงแหนคิดคํานึงไปเรื่อยตอนนั้นจิตไม่เคยอยู่กับปัจจุบันคนจึงทํางานด้วยความเครียดมีความทุกข์ในการทํางานบางทีมีเงินทองมากก็มีความเครียด ความเครียดนี่เองเป็นผลของการที่เราไม่อยู่กับปัจจุบันคนที่อยู่กับปัจจุบันคือคิดอยู่เสมอว่าทําอะไรอยู่แล้วคิดถึงหนึ่งคืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นอารมณ์ที่นําอยู่กับปัจจุบันในขณะนั้นน่ยมันจะเป็นที่ระงับองความฟรุงสัน้นความคิดไม่รู้จักหยุดพอคิดแบบนี้นี่คนนั้นจะมีความสุนในการทํางานทําไปใจเย็นไประหว่างคนหนึ่งทํางานไปใจเย็นไปอาจจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางอยู่ทุ่งนาไปรับจ้างวันหนึ่งได้แค่ ร้อยกว่าบาทมีความสุขในการได้เงินร้อกว่าบาทขณะที่ทํางานไปก็ปวดล่างปวดเดีวเหงื่อออกท่วมหน้าท่วมตาตากแดดตาฝนแต่เขามีความสุขเพราะเขาอยู่กับปัจจุบันมีความพอจะได้เงินหนึ่ร้อยบาทที่รับจ้างในวันนั้นเพราะว่าเขาอยู่กับปัจจุบันเป็นแต่บางคนนี่ทํางานไปอยู่ในห้องแอร์อาจจะมีความร้อนอาจจะมีความกระวนกระวายได้เงินวันนั้นอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ตามแต่แต่เขาไม่มีความสุขในการทํางานไม่มีความสุขจากการที่ได้สิ่งของนั้นมาเพราะ ถูกความอยากนําพาไปอยู่เรื่อยคนจึงไม่อยู่กับปัจจุบันพราขาดปัจจุบันอย่างเดียวคนก็มีความทุกข์ขึ้นมาทันทีนางที่ราเชิงหูสปีจเจริญมรณสติทั้งกลางวันจังค้าวกลางวันกลางคืนวันหนึ่งทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนางมีความดีใจมากว่าพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางไปเพื่อฟังธรรมจากพุทธเจ้าในระหว่าง3ปีที่มาปฏิบัติเนี่ย พอทราบว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าจะตริต ม, มาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าดีใจมากทําไมจึงมีการคิดถึงพระพุทธเจ้าเพราะขณะที่กําลังปฏิบัติอยู่เนี่ยมันได้ผลของการปฏิบัติเราจะลืมว่าถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเคยให้สิ่งใดที่มีประโยชน์แต่เราอย่างสูงที่สุดเนี่ยเราจะไม่มีทางจะลืมบุคคล น, นั้นได้เลยคิดถึงและลึกถึงอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่ได้คิดถึงและลึกถึงก็มีความสุขเพราะว่าสิ่งที่ท่านเคยชี้แจงเคยชี้แนะเคย นำพาให้เราได้ปฏิบัติแล้วเราเรานํามาปฏิบัติดนะูมันมีผลต่อชีวิตคือนําความพาสุขมาจูดชีวิตอย่างอย่างแท้จริงนางก็เลยตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะไปฟังธรรมจากพุทธเจ้าแต่ว่าพ่อนี่เป็นช่างทอหูก็เลยบอกว่าวันพรุ่งนี้พ่อต้องไปทํางานด่วนลูกค้ามาสั่งไว้พ่อยังกรอได้ไม่ทันให้เธอกรอได้ให้พ่อด้วยแล้วนําได้ที่กรอแล้วไปส่งพ่อที่โรงทอหูกหลังอยากพ่อสั่งเสรษพ่อก็เลยไปไปทอผ้าที่โรงทอหูก ในระหว่างโรงทอหู ก, กับวัดกับบ้านนี่วัดอยู่ตรงกลางนางก็เลยมาคิดว่าเราทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเพื่อแสดงธรรมเราจะไปกราบไปฟังธรรมจากท่านแต่พ่อก็มาใช้ให้กรอได้การที่จะไม่กลอได้ให้แก่พ่อไปฟังธรรมเนี่ยพ่อก็จะดุพ่อก็จะตีฉค่นี้นเลยเราก็ก็กรอได้ก่อนนางกรอได้ไปเขาคิดไปนะคิดก็คือคิดถึงพระพุทธเจ้าพอหลังจากที่กรอได้เสร็จเนี่ย ก็เลยจะไปส่งได้กลอของพ่อที่ลงโต๊ะหแต่ขณะที่ไปจะต้องเดินผ่านวัดนางยิ่งตั้งใจว่ายังไงเสียเขจะต้องไปฟังธรรมมาก่อนผู้เจ้าหลังจากที่ทรงทำพัฒนาจิตเสร็จยังไม่มีการอนุโมทนาเพราะการพุทธเจ้าที่มาวันนี้มาเพื่อปโปรดที่ได้ช่างหูดโดยเฉพาะพราท่านทราบโดยยานว่าระยะเวลา3ปีที่พระองค์ทรงแสดงธรรมฝากไว้นี่มีบคุคคลเดียวตัว น, นั่งเองที่นําไปปฏิบัติ ท่านจึงมาเพื่อสงเคราะห์ที่ด่างจ้งหงโดยเฉพาะแล้วก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าบุคคลใดที่ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระองค์เนี่คติจะไม่แน่นอนคติคือที่ไปเบื้องหน้ า, า น, นี่จะไม่แน่นอนตราบใดก็ตามที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นี่คติยังไม่แน่นอนมีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าบุคคลใดที่ได้ฟังธรรมจนเข้าใจอย่างแฉบแก่แล้วคติคือแน่นอนคือวิสุทธิสุขติอย่างคนที่เป็นปุถุชนทุกั่วไปนี่คติไม่แน่นอนนยมบางทีอาจจะไปเป็นเปรตบางทีเป็น สันดิฉันบางทีไปเป็นสันนลกบางทีเป็นวัสุรกายนี่คือคติเบื้องต่ําที่สุดแต่ถ้าคนไหก็ตามที่เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยคติสุขคือถ้าไปเกิดใหม่ก็คือไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเกิดเป็นเทพประบุทเทพธิดาไปเสเวยที่ประสมบัติแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงนี่คือคติเบื่อไปที่ไปเบื้องหน้ามันแน่นอนธิดาเจ้าหัวรังจากที่นางมาแล้วไปอยู่ท้าบริษัทนูน่นพูทเจ้า ก, ก็นิ่งอยู่พอเห็นนางมานางก็เลยหาที่นั่ง พระเจ้าถามว่ากุมาฤทิดาเธอมาจากไหนนางตอบพระพุทธเจ้าว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ถามต่อไปว่าเธอจะไปไหนไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะนางถามนางตอบพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามว่าเธอมาจากไหนนางก็ตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าค่ะเธอจะไปไหนก็ตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะ คนที่ฟังทำมาอยู่รู้จักว่าเด็กหญิงคนเนี้ยเป็นลูกสาวในชางท่อหูเป็นลูกสาวของนายชางช่างท่อหูแล้วกําลังจะไปที่โรงท่อหูแต่ทําไมพระพุทธเจ้าถามว่าเธอมาจากไหนเธอกลับตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะก็รู้ทั้งรู้ว่าเธอมาจากบ้านทํำไมไม่ตอบตรงตามที่เป็นจริงคนทั่วไปก็พากันติเตียนพากัน แกลุกขึ้นเพื่อที่จะตบตีนางเพราะว่าหาว่านางเป็นคนกล่าวจ่วงจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามต่อไปว่าเธอทราบหรือไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะเธอไม่ทราบหรือไม่ทรา บ, ราบพระพทราบพระพุทธเจ้าค่ะคําคตอบมันจะโวกวน่ะคนทั่วไปฟังมันจะโวกวลในที่สุดเขาก็เลยจะพากันฉุดฆ่านางนี้จากที่นั่นพระเจ้าว่าพวกท่านหยุดก่อนอย่าพึ่งไปทําอะไรให้นางตอบก่อน ผูญิก็เลยถามว่ากูมาแล้วที่ดาเธอจงตอบหมาสิว่าที่เราตทาตท้าก็ถามว่าเธอมาจากไหนที่เธอตอบว่าไม่ทราบหมายความว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าหม่อมฉันทราบว่าหมอมฉันมาจากที่บ้านแม้แต่พระองค์ก็ทราบว่าหมอมฉันมาจากที่บ้านแต่การที่หมอมฉันตอบพระองค์ว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้าหมอมฉันหมายถึงว่าการที่พบก่อนชาติก่อนข้าพระพุทธเจ้าเกิดมาจาก อะไรพระพุทธเจ้าข้าเนี่ยข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบหมายความว่าแต่ก่อนก่อนที่จะมาเกิดเป็นนางกุมารธิดาธิดาช่างหูเนี่ยข้าพระเจ้าเคยเปลี่ยนอะไรเกิดเป็นอะไรครับพระุทธเจ้าไม่ทราบจึงตอบพระองค์ว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้าโอ้กุมารธิดาคําถามที่เราถามเธอเป็นอันตอบแล้วนะแล้วที่เราถามว่าเธอจะไปไหนทําไมเธอตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้า ข, ข้าพุทธเจ้าก็ทราบว่าข้าพุทธเจ้ากําลังนั่มนาได้ที่กรอแล้วไปส่งบิดาที่โรงทอหูแม้แต่คนในบริษัทนี้ก็ทราบว่าข้าพุทธเจ้ากําลังจะนําได้นี้ไปส่งบิดาที่โรงทอหูแต่การที่พระเจ้าตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค้าหมายความว่าหลังจากที่ตายจากภพนี้แล้วเนี่ยชาต sure ิหน้าไปเกิดเป็นไรครับพระเจ้าไม่ทราบจริงๆจึงตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค้าพทะเจ้าตอบว่าสาธุเธอตอบดีแล้วแล้วที่เธอตอบว่าที่เราถามว่า เธอไม่ไม่เธอทราบหรือแล้วเธอตอบว่าไม่ทราบหมายความว่าอย่างไงข้าพุทธเจ้าหมายถึงว่าข้าพุทธเจ้าไม่ทราบว่าในการที่ข้าพุทเจ้าจะตายนี่จะตายที่ไหนตายรู้อาการอย่างไรตายด้วยโรคอะไรตายแล้วจะไปที่ไหนข้าพุทธเจ้าไม่ทราบอย่างนี้พุทธเจ้าค่ะสาธุเธอตอบดีแล้วแล้วที่เราถามว่าเธอเธอ ทราบหรือเธอไม่ทราบหรือที่ข้าพเจ้าวทร า, าบหมายความว่าข้าพเจ้าทราบว่าข้าพุทธเจ้ า, า, าต้องตายแน่นอนยังไงเสียก็ต้องตายแน่นอนความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นยังไงเสียก็ต้องตายหลังจากที่นางตอบคําถามทั้งสี่คำถามเป็น น, นางเข้าใจแล้วก็เข้าใจธรรมะระดับขั้นพื้นเบื้องต้นของอริยะบุคคลในขณะนั้นพอนางตอบเสร็จแล้วพระเจ้าวสสาธุ บอกชนทั้งหลายว่าพวกท่านทั้งหลายมัวแต่ไปคิดอยู่ในแง่หนึ่งแต่การที่ท่านตอบในลักษณะแบบนี้คือเป็นการตอบคือคนไหนก็ตามที่มีอารมณ์ธรรมอยู่ในใจเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยมันจะเป็นการพูดระหว่างภาษาธรรมและภาษาคนถ้าคนไในที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมองเป็นฟังเป็นภาษาคนทั่วไปธรรมดาแต่คนในที่กําลังปฏิบัติธรรมอยู่จนสัมผัสกับสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ขณะนั้นน่ะมันจะเป็นการนําเอาธรรมจากสภาวะภายในมาปรากฏมาตอบ พวกท่านจะเห็นว่าระหว่างคําถามผู้เจ้ากับคําตอบของนางกุมาริกาเนี่ยมันเป็นคําตอบของคนที่กําลังปฏิบัติอยู่โดยเฉพาะเธอมาจากไหนก็ไม่ทราบว่าเกิดชาติก่อนเป็นอะไรไม่รู้จักจริงเธอจะไปไหนก็ไม่รู้จักว่าหลังจากตายไปแล้วไม่รู้จักจริงเพราะเรื่องแบบนี้มันเลยวิสัยคนที่จะไปรู้ตามหลังจากทิดาช่างหูตอบคําถามผู้เจ้าเสร็จนางก็เลยเดินไปเดินไปส่ง ได้ที่กรอเสร็จให้บิดาที่ลงทอหูปรากฏว่าในการที่นาเดินไปเกิดอุบัติเหตุตัวที่เขาเรียกว่าฟืมเนี่ยที่ที่จะใช้ทอหูตกลงมาแล้วก็แทกงหน้าอกนางก็ตายพอหลังจากที่ตายเสร็จนี่ที่พระยเศรีเดชมาวันนี้คือมาปวดเพื่อให้นางนี่เป็นผู้ที่มีคติเป็นที่แน่นอนพอนางตายจากขณะนั้นไปเกิดเป็นนางเทพธิดา เกิดเพราะอาศัยนางเป็นผู้ที่เจริญมรณาสุติและลึกถึงความตายปฏิบัติธรรมมาสามปี4ปีอย่างต่อเนื่องแบบไม่ขาดระยะหลังจากที่นางตายจากพบนันชาตินั้นแล้วไปเกิดนางเทพิดาการเกิดเกิดบางอย่างเกิดบางอย่างเป็นการเกิดแบบฉัพันการเกิดในทางพุทธศาสนาสอนไว้มี4อย่างโยมหนึ่งชราพุชะการเกิดในคันอย่างเช่นเราเกิด 2. อันดชะการเกิดในไข่ สสังเสียทะชะการเกิดในเท่าไครในของศสกปกสโอปปาติกะเป็นการเกิดของพวกเทวดาถ้าคนไหนทำบุญไปมากทำบุญไปเยอะให้ทานรักษาสิ่ปฏิบัติทำเจริญภาวนาดีๆเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องไปเกิดทางที่มันดีแน่นอนและเป็นการเกิดแบบไม่ต้องรอเวลาด้วยนะอย่างสมุิอามาทาบุญมาเยอะนี่นะนะทำบุญสร้างโบสถ์สร้างสละอุปธรรมสูงมาเยอะนี่ เราผู้อยู่เบื้องหลังก็คือเกิดความอาลัยอาวรในซากของอามานั่นเองแต่ด้วยอาศัยบุญของผู้ที่ทําจริงๆเนี่ยท่านอาจจะไปสู่ที่ดีแล้วก็ได้เนะพราะการเกิดไป บ, บนี้เป็นการเกิดแบบฉับพลันการเกิดแบบไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องตั้งครันด้วยการเกิดแบบปุ๊บ ป, ปั๊บเนี่ยอย่างเคลติราทั้งหกพอตายเสร็จก็ดูสิวิมานปรากฏขึ้นมาทันทีคือไปเกิดบนสวงสวรรค์ขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นคุณงามความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําไว้เพราะเราจะต้องตายแน่นอนแล้วจะต้องเกิดนะ ในเมื่อเราจะต้องเกิดอีกเนี่ยเราสามารถเลิกเกิดได้การที่เราจะเลิกเกิดมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เราทําถ้าเราทําดีทำถูกต้องทําในคันลองแห่งความถูกต้องตามศีลธรรมเราต้องเกิดใหม่พบใหม่ที่รองรับเรานี่มีสวรรค์สมบัติรองรับแต่ถ้าเราเผลอขาดสติประมาทในชีวิตมัวมโนชีวิตมัวหลงเพื่อเพลินไปตามเรื่องตามเราตามอำนาจของกิเลสและตัณหานี่เกิดเหมือนกันแต่เป็นการเกิดในทุกขติ เป็นการเกิดนนยบายที่มีแต่ความทุกข์ความร้อนความแผดเผาทุกทรมานแบบไม่มีเวลาที่จะพักเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามาแบบนี้ประโยชน์มันเกิดขึ้นประโยชน์คือเราได้นำเอาสิ่งนี้ตามที่ตัวอย่างที่ยกมาแสดงให้ฟังเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามหลักการนี้พุทธเจ้าจะบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่ตาบอดท่านบอกว่าสัตว์โลกนี้เหมือนคนตาบอด สัตว์ในโลกนี้มันคนตาบอดในโลกนี้น้อยคนนักจะรู้แก้งน้อยคนนักจะไปในสวรรค์เหมือนนกติดข่ายแล้วย่อมหลุดน้อยฉันนั้นหมายความว่าถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมัวเพลิดเพลินประมาทมัวเมาเนี่ยถึงเราจะมีตาดีก็เหมือนคนตาบอดเพราะไม่เห็นทางทางที่นำไปสู่การปฏิบตัติอันสู่ความประเสริฐของชีวิตมันมีอยู่ แต่ถ้าเรามองไม่เห็นไม่มีการปฏิบัติเลยเราไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนคนตาดีอย่างที่ทีหลวงพ่อแสดงเรื่องมรรคมีองแปมรรคมีองแเป็นทางทางนําไปสู่สวรรค์และนิพพานถ้าคนในที่ปฏิบัติตามมรรคมองแอย่างอ่อนคือต้องไปสวรรค์แน่นอนถ้าอย่างสูงคือต้องไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นที่สูงสุดของพุทธศาสนาถ้าเราเห็นทาง น, นี้ด้วยตาที่มันดีเนี่ยเรียกว่าปัญญาจะาสู่ตาที่มันดีเนี่ยเหมือนกับคนตาดีแต่ถ้าเรายังเมื่อรมนอยู่ หลงเพลิดเพลินมัวเมาเมาในวัยมัวในความไม่มีโรคเมาในชีวิตอยู่เนี่ยมันก็เหมือนคนตาบอดท่านจึงว่าในโลกนี้นี่น้อยคนนักจะเห็นแจ้งคนที่จะมาปฏิบัติศึกษาจะเห็นความจริงอย่างแจ่มแข้ง ม, ม, ม, มีน้อยที่สุดญาติโยมสังเกตดูว่าในการมีอยู่ของเราทั่วไปเนี่ยคนที่จะเห็นสาว่างอย่างที่เป็นจริงเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างน้อยคนทั่วไปก็กำลังทุกข์กลังมัวเมาตามชีวิตตามเรื่อง คนใดก็ตามที่ยังปล่อยชีวิตอยู่แบบนี้ท่านว่าประมาทอยู่ในความประมาทนี้เองก็เหมือนกับคนตาบอดจึงมีคนน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เห็นแย้งตามที่เป็นจริงน้อยคนนักที่จะได้ไปสวรรค์เหมือนกับนกที่ติดไายที่ว่าเหมือนกับนกที่ติดไข่น้อยตัวนั่นที่จะหลุดนกที่มันติดข่ในพรานแล้วเนี่ยน้อยตัวนั่นที่จะหลุดจากไข่ทุกตัวย่อมอยู่ในไข่ายจะอาจจะมีน้อยตัวที่หลุดออกมาแจะมีแต่มีจํานวนน้อยเพราะฉะนั้นในวัฏจักรงสารมันเป็นเรื่องที่น่ากลัว ในความน่ากลัวของว่าตัดสงศารกลัวได้แต่ว่าอย่าอย่าอย่ากลัวจนมันขาดปัญญาในขณะเนี้เรามีเวลาที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองได้การทําเพื่อตัวเองคือการทําเพื่อตัวเองให้มีความสุขมีความสุขในปัจจุบันแล้วก็มีความสุขในอนาคตความสุขในปัจจุบันคือเราสามารถอยู่กับท่ามกลางสังคมในภาวะแบบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปถูกอะไรแผดเผามากคนที่มีธรรมประจําใจนี่มันจะทุกข์ยากโยมมันจะทุกข์ยาก แต่ถ้าว่าคนที่ขาดธรรมประจําใจมันทุกข์ง่ายทุกข์ง่ายทําอะไรง่ายที่สุดยิ่งคนขาดสติเนี่ยทุกวันมันขาดอะไรทําได้เยอะเป็นการประทุษร้ายตัวเองบ้างเป็นการประทุษร้ายคนอื่นบ้างนั่นคือเป็นคนขาดทำถ้ามีทำแล้วจะมีทำเป็นเครื่องอยู่ถ้ามีทำเครื่องอยู่แล้วทุกอย่างเป็นธรรมดาที่สุดการตายก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาการสูญเสียการพัดภาคก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาถ้าเรามีความเป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจเราเราจะรู้สึกว่ามันมี ที่พึ่งทางเจอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านหลายวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมฟังพระอภิธรรมฟังสวดพระอภิธรรมมาร่วมกันแสดงซึ่งความอะไรการสูญเสียไปของอมาม마เจคณะลูกหลานผู้อยู่เบื้องหลังมาร่วมกันฟังธรรมเพื่อ น, นําไปเป็นข้อชี้ในการที่จะเราไปใช้ในการที่เกิดเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราเองการมาวันนี้ มันจะมีประโยชน์มากมายก็ต่อเมื่อเราสามารถใช้ประเพณีในการมาร่วมงานศพให้เกิดประโยชน์เห็นแต่ละครั้งถ้าเรามองในแง่ของปัญญาว่าการมาในครั้งนี้เหมือนกับการมารับสื่อจากเทวทูตเทวทูตส่งสื่อมาให้เราเป็นเครื่องเตือนการตายก็เป็นเทวทูตอันหนึ่งที่เราจะทําให้เราเกิดความไม่ประมาทเราก็ปรับไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์เป็นคนที่มีสติมากขึ้นความประมาทความมัวมวก็จะได้ลง เราก็จะมีผู้ที่เป็นผู้ที่มีปัญญาในการคลองชีวิตเมื่อนั้นเราก็จะมีความสุขในการมาอยู่พอยในวันนี้อาตามาภาพในฐานะที่เป็นพิสุผู้หนึ่งที่เคยได้รับการอุปถัมภ์ด้านปัจเจศิจากอามาและครอบครัวท่านก็ได้มาร่วมมาทำสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์เฉพาะที่ทำสำหรับผู้ที่ดวงับไปแล้วก็เป็นกาลังใจแจ่ ลูกหลานผู้อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่หนึ่งที่เป็นหน้าที่ของลูกหลานที่พึงปฏิบัติต่อบิดามารดาก็คือหลังจากที่บิดามารดาร่วงลับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศเกียรตท่านแต่มีข้อหนึ่งที่ว่าบุตรทีดาพึงดํารงวงศ์สกุลพึงดํารงวงศ์สกุลนี่หมายถึงว่าวงศ์สกุลภายนอกคือรักษาทรัพย์มรดกที่ญาติพี่น้องผู้ใหญ่พ่อแม่ได้สืบทอดมาเกี่กัเราแต่วงศ์สกุลหนึ่งที่ควรเลืกคือคุณงามความดี ที่พ่อและแม่ที่ทําเป็นแบบอย่างให้แก่เราหลังจากที่ท่านลุงรับไปแล้วจะต้องรักษาวงศ์สกุลคือรักษาคุณงามความดีที่พ่อแม่บรรพระบารุษ ท, ที่ทําไว้เป็นแบบอย่างให้แก่เราถ้ารักษาวงศ์สกุลนี้ไว้เราก็จะมีความสุขโดยว่ายิง่งอามะเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาเห็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยเข้าวัดแต่ก่อนก็เข้าวัดมาประจํามาปฏิบัติธรรมบ้างมาสลาก็มานั่งปฏิบัติ นั่งเกิดสมาธิไปมีอยู่ตัวหนึ่งอาตมาเคยไปฉันที่บ้านนะมะที่เชียงใหม่มายืนมายังอยู่ข้างโต๊ะอาจาย์ฉังนี้นะาจางฉังนคือมาคอย จ, จอ้าเยี่ยมฉันว่าให้พระฉันให้หน่อยมาคอยบอกให้ฉันอันนี้นี่ให้อาตมาก็ดูว่ามาไปโอ้ดูมาไปก็คิดถึงยายยายตามาตัวนี้ก็เก้าสิบกว่าเหมือนกันนะ mm hmm. เวลาเห็นคนแก่คนเท่ามาคอยเอาใจใส่ คนที่จิตเป็นกุศลนี่คื อ, คอเอาใจใส่เรื่องเล็กน้อยเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องขบเรื่องฉันงพระแบบนี้นั่นนี่คือเป็นเป็นบุคคลที่คือถ้ามีความเลื่อมใสแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขได้จัดแจงได้ถวายได้เอาใจใส่พวกนี้มันเป็นความสุขของคนที่มีศรัทธาที่จ ะ, ท, จะที่จะทำเรื่องนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าลูกหลานผู้อยู่เบื้องหลังสามารถรักษาคุณงามความดีแบบอย่างที่บรรพบุรุษที่ฝากไว้นั้นเป็นการรักษาวงสกุลอย่างถูกต้องและวงสกุลนี้จะไม่มีทางที่จะสูญหายจะสืบทอดไปตามลําดับ เราก็จะมีความสุขเพราะคนไหนที่มีศรัทธาได้เข้าวัดได้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นจะเป็นวิถีชีวิตที่มีความต่างจากคนห่างวัดห่างวาไม่ได้ปฏิบัติธรรมคนที่อยู่ใกล้ชิดธรรมก็จะมีธรรมคุ้มครองถ้าคนที่ห่างไกลธรรมธรรมก็จะไม่คุ้มครองถ้าคนไหนที่มีธรรมคุ้มครองคนก็จะมีความสุขจะปลอดภัยในท้ายที่สุดนี้ก็คงจะใช้เวลาพอสมควรก็ขออนุโมทนาสาธุกับทางคณะบุตรหลานลูกหลานของอามาที่แสดง กตัญญูกตวเวทีนี้ปรากฏโดยการที่ได้บําเพ็ญกุศลอามาอย่างพอดีและพอเพียงเรียบง่ายศพอามาทน่าจะเป็นแบบอย่างของคนทั่วไปไม่ต้องไปสิ้นเปืองอะไรมากมาตั้งอยู่ที่วัดแล้วก็มีญาติพี่น้องมาก็ได้บุญได้กุศลทั่วหน้ากันแล้วก็ญาติพี่น้องที่มาร่วมงานก็ได้สาระจากการมาร่วมงานพอสมควร แต่บรรยากาศได้ยินได้ฟังได้เห็นสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเพื่อความเรียบง่ายความโปรงวงสบายในท้ายที่สุดนี้ด้วยเจตนาโพวกท่านที่ทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานสวดพระบิธรรมบําเพ็ญกุศลศพองอาละมาในวันนี้ก็ขอด้วยกุศลอันนี้จงเป็นไปเพื่อท่านหลายจงเกิดความเข้าใจในวิธีชีวิตของตัวเองตามที่เป็นจริงคือมีการเกิดการแฉ่การเจ็บ เ, เป็นการตายเป็นธรรมดา ความธรรมดานี้ยู่เป็นความธรรมดาที่นาไปสู่การนำไปสู่การปล่อยวางให้ระ ล, ลึกถึงชีวิตตามที่เป็นจริงถ้าเราระลึกถึงชีวิตตามที่เป็นจริงแล้วเราก็จะมีความสุขอยู่ท่ามกลางที่จะต้องมีการแก่การเจ็บการตายรอคอยอยู่อันนั้นคือความเข้าใจใ ธ, รธรรมขอความเข้าใจแจ่มแจ้งในพระธรรมคาสอนพระเจ้าจงบังเกินแจ่ทุกท่านด้วยกันทุกตนท่านเทิด